หากันตั้งใจตั้งใจให้ดีเรามาสุมนุมกันในที่นี้เราเพื่อที่จะฝึกใจดวงนี้แหละไม่ใช่เพื่อมุ่งหวังอย่างอื่นเพราะใจดวงนี้มันฝึกยากพระพุทธเจ้าตรัสว่า การฝึกันใ น, ในโลกอันนี้สู้ฝึกใจไม่ได้ฝึกใจนี่แสนยาก mm hmm. ดังนั้นเราจะทำเล่นๆไม่ได้ต้องทำจริงๆ mm hmm. ต้องตั้งสติ ให้เนี้ยแน่ตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนันกรรมฐานข้อนี้ย่อมเหมาะสมแก่ทุกคนเพราะว่า ความคิดทั้งหลายมันแล่นออกไปกับลมหายใจเข้าออกนี่แหละถ้าสติเข้าไปยับยั้งอยู่ลมหายใจเข้าออกนี่แล้วความคิดมันก็แล่นออกมาไม่ได้จิตมันก็หยุดนิ่งอยู่ได้ต้องทำดูมันจึงรู้ได้ผู้ใดไม่ทำรู้ไม่ได้ คนชอบคิดอะไรมากมันน่ะนะหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆอย่างนี้ บ, บ่อยเข้ามันก็หยุดคิดลงได้อันนี้ถ้าไปลืมลมหายใจเข้าออกซะมันก็คิดแล้ววันนี้นะพุ่งไปแล้ว เราสังเกตดูตัวเองเนะี่ยรู้ได้ทุกคนหลย mm hmm. อย่างนี้นะเพราะว่ามันย่อมเป็นแก่คู่มีชีวิตจิตใจอันนี้ฮนขะ mm hmm. ึ้นชื่อว่ามีจิตใจอันนี้แล้วจะไม่มีคิดนึกไปในอารมณ์ต่างๆนะั้นไม่มีเพียงอยู่เราจะห้าไหมไม่ให้มันคิดเสียเลยก็ไม่ได้ จิตนี่นะแต่ว่าในขณะที่เราต้องการให้มันสงบเนี่ยเราก็ต้องสะกดมันไว้ต้องเพ่งรมหายใจเข้าออกทั้งสะกดมันไว้ด้วยจะปล่อยมันคิดเรืเ่อยไปอย่างนั้นมันไม่ได้คือมันไม่มีปัญญาแล้วก็เป็นทุกข์ด้วย คนคิดมากมากไม่ใช่มันมีความสุขเมื่อไร่อ่ะมันมีความทุกข์มากทีเดียวรําคาญก็าราคาญคิดไม่หยุดไม่หย่อนเนี่ยดัง น, นั้นให้พากันเห็นโทษของความคิดที่ไม่หยุดไม่ยั่งอันนี้ให้ได้ผู้ใดเห็นโทษแล้วก็ คนั่นก็จะเบื่อหน่ายในความคิดก็ไมส่ส่งเสริมความคิดแบบนี้นะมีแต่มุ่งให้จิตสงบในเบื้องต้นแต่ในตอนต่อไปนั้นจึงคอยใช้ความคิดแบบนั้นนะเมื่อจิตตั้งมั่นได้ดีแล้วก็กำหนดพิจารณาสิ่งที่ควรพิจารณา สิ่งใดที่ไม่ควรพิจาราก็ไม่ไม่พิจารณาเพราะว่าสิ่งใดที่มันไม่เป็นเครื่องเกื้อกูลแก่ความรู้ยิ่งเห็นจริงหรือว่าเรื่องใดเป็นไปเพื่อสะสมกองกิเลสแล้วก็ไม่คิดเรามาคิดตั้งแต่สิ่งที่ มันไม่เป็นไปเพื่อสะสมกองกิเลสเราพิจารณาสิ่งที่ทำให้จิตเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดยินดีแค่นี้เป็นเรื่องที่ควรคิดเพราะว่ามันเป็นการละอุปท า, านความยึดมั่นถือมั่นไปเรื่อยๆ ก็ให้พิจารณาให้มันเห็นว่าการที่เราจะได้มาทนทุกข์ทรมานอยู่ในโลกอันนี้นะก็เพราะความยึดถือนี่แหละเป็นปัจจัยมัยึดถือเอาของไม่เที่ยงซะด้วยนะก็รูปกายอันนี้นะมันเที่ยงมาจไหนล่ะน่ น, นะใจมันหลงตังหากมัน สำคัญจนะเป็นของเราจริงจังที่แทมไม่ใช่ของเราถ้าเป็นของเราก็บังคับได้มันก็จะไม่แปรผันวันไว้แตกดับไปเลยเพราะใครๆแล้วจะต้องการให้ร่างกายนี้แตกดับไปไม่มีมีแต่อยากจะอาศัยร่างกายอันนี้อยู่ตลอดไปนู่นนะ เกิดมาแล้วนะนั่นี่แต่มันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังดังนั้นเราต้องพิจารณาดูให้มันรู้มันเห็นความจริงเหล่านี้แล้วมันจะได้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายเมื่อเบอื่อหน่ายก็คลายความกำหนัดได้มันมันต่อกันไปอย่างนั้น คุณธรรมเหล่านี้นะเมื่อมันคลายความกำหนัดจิตก็วิมุตตคือหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสก็จะไม่ได้มาวนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้ต่อไปเมื่อละกิเลสได้เมื่อละได้เป็นบางอย่างบางอย่างก็ยังละไม่ได้ก็จำเป็น ต้องเที่ยวมาเกิดอีกอนแต่ว่าก็เกิดดีถ้าบุคคลภูรากิเลสยำยาบออกได้แล้วกิเลสอันจะพาให้ไปทำบาปทำกรรมมันนนนะสำคัญมากทีเดียวอ่ะต้องเพียรพยายามละให้มันได้ถ้ามันไม่สามารถจะละได้หมด ก็ให้ละไปได้ส่วนยำหยาบนั้นก็ยังนับว่าดีมากทีเดียวอ่ะมันยังไม่ได้ทำบาปกมเวรใส่ตัวเองแม้จะท่องเที่ยวเกิดตายไปในสงสารมันก็ไม่มีกมเวรตามสนองไปให้เป็นทุกข์เดือดร้อนในอัตภาพร่างกายอันนี้มา ก็เป็นร่างกายที่สมบูรณ์ไม่ค่อยมีโรคภัยอันร้ายแรงเบียดเบียนมีกำลังวังชาดีสามารถทำคุณงามความดีต่างๆได้การทำความดีการฝึกตนโมนี้มันต้องเกี่ยวแก่สุขภาพของร่างกายด้วย ถ้าร่างกายนี้ไม่แข็งแรงแล้วมีแต่โรคภัยเบียดเบียนอย่างนี้นี่การที่จะมาภาครียนพยายามทำร่าจิตใจให้บริสุทธิ์ฟองใสนี่มันยากเพราะฉะนั้นผู้หวังความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสตัณหาเนื่อย่างนี้ก็อย่าไปสร้างบาปสร้างกรรม ใส่ตัวเองสร้างแต่บุญแต่กุศลหาทางหลีกเลี่ยงจากบาปโทษห้าประการนั้นให้ได้โทษในโลกอันนี้มันก็มีอยู่ห้าอย่างเท่านี้แหละถึงแม้จะปลีกย่อยออกไปมันก็ออกไปจากโทษห้าประการนี้เองเนี่ย ออกไปจากนี่แหละเช่นเป็นภิกษุสามเณรอย่างนี้นะต้องมีความประพฤติดีหรือความประพฤติต้องละเอียดละออกลัวขรฤหัดผึกผู้ครองเลือนดังนั้นภาษ า, ษาสดาจึงทรงบรญญัติชิกขาบทห้าม ไม่ห้ามความประพฤติอันอยากคายต่างๆแม่ความประพฤติชั่วอย่างละเอียดเข้าไปก็ทรงบัญญัติห้ามซึงไม่เหมือนคฤหัสถริหัสนั่นดูจักความบัญญัติห้ามอันนั้นเป็นความประพฤติที่ยังหยาบห้ามไม่ให้ประพฤติ อย่างหยาบความประพฤติอย่างละเอียดเข้าไปบพุทธบัญญัติอันนี้ยังไปไม่ถึงเพราะว่าทรงบัญญัติตามเพศตามภูมิของบุคคลอันพูกเป็นนักบวดนี่ท่านเรียกว่าอุดมวิเศเป็นเพศอันอุดมจําเป็นก็ต้องมีความประพฤติละมุนละไม กลัวเป็นคารือหัดคลองเรือนเป็นอย่างนั้นดังนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจหน้าที่ของตนให้พึ่งพากันฝึกความบกพรของตนให้เหมาะสมกับภูมิกับเพศของตนผูกเป็นนักบวชอันนี้ต้องมีจัร ญ, ญามาริยาตละมุนละไม อย่างดีทีเดียวก็จึงนำมาซึ่งความเลื่อมใสศรัทธาของประชาชนผู้สแสวงบุญพุทธศาสนิกชนผู้สแสวงบุญก็ต้องการทำบุญให้ทานแก่สาวกสงของพระพุทธเจ้าผู้มีความประพฤต ด, ญญาา ด, ดีมีจัญญามารยาทละมุนละไมดีนั่นแหละถ้าทายกทายิกาไปเห็นพระภิกษุสามเณรรูปใดมีจัญญามารยาทไม่ละมุนละไมกิริยาอาการหยาบโลนต่างๆและมีความประพฤตินอกธรรมนอกวินัยออกไปเช่นนี้ ทายกทายิกาทั้งหลายเขาก็ไม่เรื่มใสไม่นับถือเนื่นต้องให้เข้าใจเพราะเขาก็รู้นี้ว่าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธภาคเจ้านี่จะต้องปฏิบัติดีอย่างไรจะต้องวางตนอย่างไรจะต้องดำรงความเป็นอยู่อย่างไรจึงจะเหมาะสมกับ สมณภาวะอย่างนี้นี่ทายกทายิกาเขายอมรู้เหมือนกันเน่ยเพราะฉะนั้นเราเป็นสมณะนี่นมันก็ต้องประพฤติตนให้สมควรที่จะเป็นเนื้อดาบุญของชาวโลกให้ได้เพราะว่าบริษัทสี่เ่านีน่ะต้องอิงอาศัยกัน การสร้างบุญสร้างกุศลไปสวรรค์ไปพระนิพพานก็ดีต้องได้ยิงอาศัยกันพระภิกษุสามเณรก็ต้องได้อาศัยทา ย, ยกทายิกาผู้มีศรัทธาผู้มีศีล น, นั่นแหละผู้มีศรัทธาผู้มีศีลแล้วก็ย่อมสละจตุปัจจัย ทั้งสี่มาบำรงพระภิกษุสามเณรผู้เป็นสาวกของอรพระพุทธเจ้าพระภิกษุสามเณรก็ประพฤติตนให้เป็นคนควรรับทักษีนาทานของทายกทายิกาให้ได้แล้วก็ต้องศึกษาเรียนท ร, รมวินยัย ให้รู้ให้เข้าใจเพื่อจะได้แนะนำสั่งสอนทายกทายิกาผู้มีอุปการรักคุณเพราะการแนะนำสั่งสอนนี่เราจะพูดโกงๆงไปเลยอย่างนี้มันไม่ได้เรื่องมันนะถ้าว่าพูดโรงๆงไปเลยนี่คนก็เชื่อคนก็ ปฏิบัติตามได้เลยเช่นนี้นี่พระพุทธเจ้าก็จะไม่ได้ทรงแสดงธรรมมากมายถึงปัตนนั้นต้องคิดดูการที่พระองค์เจ้าทรงแสดงธรรมมากมายอย่างนั้น่ะก็เพราะเหตุว่าพระองค์จะทรงแสดงแต่ธรมรมะล้วนๆตรงไปตรงมาเลยอย่างนี้คนทั้งหลายไม่เข้าใจ ไม่สามารถที่จะยินดีพอใจประพฤติปฏิบัติตามได้ก็ไม่ได้ประโยชน์อันใดพระองค์ก็ทรงเลือกแสดงแก่บุคคลผู้มีอินทรีย์แก่กล้าเต็มที่แล้วเท่านั้นเนียท่านเหล่านั้นนั้นแม้พระองค์จะแสดงทำล้วนๆย่อๆท่านก็พิจารณารู้ได้ตามได้ในทันทีเลย หลุดพ้นไปจากกิเลสตัณหาได้เพราะฟังธรรมเพียงนิดหน่อยเท่านั้นแหละแต่ท่านพุทเจ้นน่ะมีจำนวนน้อยอันผู้ที่มีอินทรีย์ยังอ่อนอยู่จะต้องแนะนำสั่งสอนด้วยอุบายปริยายต่างๆมีจำนวนมากแต่ในครัง้งพุทธการก็ดี กันตกมาสมัยทาวันนี้มันก็ยิ่งแล้วมันบุคคลผู้ที่มีอินทรีย์ยังอ่อนเนะ่มีเป็นจำนวนมากสิเดียวนั่นเลยเพราะฉะนั้นผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้านี่ก็จะต้องศึกษาเราเรียนธรรมวินยัยจำให้ได้เมื่อจำหลักธรรมหลักวินัยได้แล้วมันถ้าเกิดปัญญาขึ้นแบบนี้นะ มันเกิดความรู้พิเศษขึ้นมาพอเราได้หลักแล้วพระองค์ทรงแสดงหลักไว้ให้แล้วอย่างที่นักเรียนเรียนทำเรียนวินัยอยู่นี่แหละนี่เรียกว่าเรียนหลักสูตรธรรมะเพื่อจะได้เอาไปสอนตัวเองบ้างแล้วก็ไปสอนคนอื่นบ้าง ให้พากันเข้าใจความหมายของการเรียนธรรมเรียนวินัยเนื่องจากว่ากิเลสเนี่ยมันเหนียวแน่นมากจิตใจมันก็หวงกิเลสในมากมายมันไม่อยากยอมละมันถอนมันเพราะฉะนั้นน่ะมันจึงจำเป็นต้องมี อุบายแยบคายหลายอย่างสอนตัวเองก็ดีสอนผู้อื่นก็ดีจึงมีอุป ม, มาอุปมาเช่นอย่างพระศาสดาทรงแสดงยกอุปมาร่างกายนี่เหมือนกับหม้อที่นายช่างเขาปั้นแล้วมีทั้งอย่างสุกมีทั้งอย่างดิบ มีทั้งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ทั้งหมดนั้นย่อมมีความแตกสลายไปเป็นธรรมดาผลสุดท้ายนะเมื่อใช้ไปใช้ไปมันก็แตกหลับได้ฉันใดร่างกายอันนี้ก็เป็นเช่นนั้นเลย เมื่อเรองคิดได้มาอาศัยมันใช้มันทำาูุสนขุณงามความดีไปหรือบุคคลผู้ไม่รู้ไม่ฉลาดก็มาใช้กายวาจาอันนี้ทำชั่วพูดชั่วไปนานเข้ามันก็สึกกรอไปในที่สุดมันก็แตกดับทำลายไปนี่ก็เช่นเดียวกับหม้อนั่นนี่ะ พระองค์เจ้าทรงแสดงอุปมาปรปมาอย่างนี้เลยแล้วผู้ฟังเัลงาหลายก็เอาไปคิดไปตรองเปรียบเทียบกันตามที่พระองค์เจ้าแนะนานั้นก็ย่อมเห็นจริงตามเห็นว่าร่างกายนี้แน่นอนเหมือนกับหม้อนั้นเนี่ยไม่มีอะไรกีรังยั่งยืนร่างกายสังขารอันนี้ พระองค์เจ้าเปรียบอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนอย่างของที่ขอยืมเขามาธรรมดาสิ่งของที่ยืมเขามามเมื่อมาใช้แล้วก็ต้องส่งคืนเขาเราจะโมเมเอาว่าเป็นของเรานั้นไม่ได้อันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเนี่ย เราขอยืมสมบัติของพญามัจจุราชเขามานั่นแหละยืมมาอาศัยสร้างบุญสร้างกุศลสั่งสมสติปัญญาความรู้ความฉลาดให้เกิดขึ้นเพราะถ้าหากว่าไม่ได้ร่างกายอันเป็นของมนุษย์นี่นั่นก็ไม่สามารถจะสร้างบุญกุศลได้ ไม่สามารถจะสร้างสติปัญญาอันสุขุมลุ่มลึกได้ท่านั้นเนี่ยให้ถือว่าเราขอยืมเอาสมบัติของพยามาจุราชเขามาทำการค้าขายก็ว่าได้คือมาสั่งสมบุญกุศลนั่นแหละเรียกว่าจะว่ามาว่ามาค้าขายก็ได้ ที่นี่เมื่อมีกำไรแล้วทุนก็ต้องส่งคืนเขาอันมีกำไรอย่างไรอ่ะมีกำไรก็คือเราได้บุญได้กุศลตั้งมั่นอยู่ในใจได้บุญได้กุศลได้สติปัญญาเป็นที่พึ่งของดวงกิจนี้นี่เรียว่าได้กำไรส่วนร่างกายนี่ก็ เมื่อมันหมดบุญเก่าที่ตนได้สั่งสมอบรมมาแต่ก่อนแล้วมันก็แตกดับทำลายไปนี่คล้ายๆกับว่าเราส่งคืนมัจจุราชเขาส่งต้นทุนคืนให้เขาไปอันผู้มีปัญญาได้พิจารณาเห็นเช่นนี้แล้วก็จึงไม่นิ้งนอนใจเพราะว่า ชีวิตนี้มันมีขอบเขตจำกัดเหมือนกับเครื่องใช้ไม้ถอยต่างๆมีหม้ออย่างที่พระศ า, าสดาทรงเสียไว้นั่นเนี่ยเป็นต้นย่อไม่จริรังยังยืนอยู่ได้เพราะเหตุนั้นนะก็อย่าพากันนิ่งนอนใจจงพากันเพ่งพิจารณา ร่างกายอันนี้ให้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อมันไม่เที่ยงก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันก็ยักย้ายผันแปรไปอยู่อย่างนี้หละโรคไข้ไข้เจ็บเบียดเบีย้ยนเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆเดี๋ยวก็ปวดัว่เดี๋ยวก็ตัวร้อนเดี๋ยวก็ปวดท้องเป็นวัดเป็นไอ สารพัดแต่มันจะอิบติแปรปรวนไปดังนั้นควรพิจารณายมันเห็นแจ้งแล้วมันจะได้เบื่อนายเมื่อเบอื่อนายมันก็คลายความกำหนัดยินดีทั้งรูปร่างกายที่ตอนอาศัยอยู่นี่ด้วยแล้วก็คลายความกำหนัดยินดีในรูปอื่นด้วย รูปอื่นมันก็มีสภาวะเหมือนกันนี่แหละไม่แตกต่างกันเลยนั่นดังนั้นเราต้องพิจารณาเมื่อทำใจให้สงบลงไปแล้วนะอย่าไปนั่งงกง่วงอยู่เฉยๆเพ่งพิจารณาดูให้มันเห็นเมื่อเห็นรูปแล้วก็เห็นนามด้วยกันนั่นแหละ ราวนามาทร ม, มันก็อาศัยอยู่กับรูปร่างกายนี่แหละกับจิตนี่เองเนี่ยไม่ใช่อนไปอาศัยอยู่ที่อื่นหามีได้เมื่อเห็นรูปแล้วก็เห็นเวทนาเห็นสัญญาเห็นสังขารเห็นวิญญาณเมื่อตามสภาพความเป็นจริงแล้ว ก็ให้ปล่อยให้วางไว้ตามสภาพอือย่าไปยินดียินร้ายกับมันเมื่อวางไว้ได้จิตใจมันก็รวมลงอมันก็ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันนี้เรียก ว, ว่าก็รู้เท่าร่างกายนี้ตามความเป็นจริงเมื่อจิตมันตั้งเป็นปกติอยู่ได้ ก็รักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไว้ให้ได้อย่าให้ความรู้ความเห็นเช่นว่านี้มันเสื่อมไปดังแสดงมา